164อยพูดอยู่แต่ในฝันก็ออกจากขายไม่ได้ตลอดการนพระไตรปิฎกเล่ม9สูตรแรกพรหมมชาละสูตรพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนครบครันว่าที่4ี2ที่พากันจมอยู่แต่ในอดีตกับอนาคต หรือแม้ปัจจุบันก็เป็นปัจจุบันที่เป็นเพียงการตรึกตะ ก, กีการค้นคิดวิมังสีจึงยังไม่ใช่อยู่พร้อมกับโลกแห่งความจริงล้วนยังเป็นผู้จมอยู่ในฝันหรือผุดอยู่แต่ในข่ายเป็นเพียงอยู่กับโลกพร่อ ง, องโลกที่ไม่บริบูรณ์ที่ไม่ยืนยันการแจ้งแจ้ ง, จงกับโลกเ ป, เปิดเปิดเป็นปัจจุบัน ซึ่งไม่ครบพบภายนอกภายในมีตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสพร้อมรูปนามบริบูรณ์ไม่ครบพร้อมทั้งสุระภาโวสติมันโตอิทะพรมวจริยวาโสอันเป็นโลกมนุษย์ชมภูทวีปและไม่ปฏิบัติการกับภาวะโลกเต็มเต็มตื่นตื่นครบตาหู จะหมู่กลิน้นกายใจมีสัมผัสเป็นปัจจัยแล้วรู้จกักรู้แจ้งรู้จริงตัวกิเลสและกำจัดกิเลสจนหมดสิ้นเกลี้ยงตัวตนได้ชนิดที่รู้รู้เห็นเห็นปรากฏความจริงกันครบครบทนโท้ต้งโต้ ง, ตงหลัดหลดเป็นปัจจุบันนั้นๆทีเดียวจึงมีแต่ฝันที่ไม่ตื่นจากความเป็นภพ หลงวนอยู่แต่ในภพทั้งสามนั้นดำผุดดำว่ายอยู่ในภพสามนั้นหรือจมอยู่กับฝันในภพไม่มีทางหลุดพ้นออกมาได้